วันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่งเมษพฤษภาคมพุทธศัการาชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันที่พระบรมศาสด า, าพระหันตาสัมมาสาัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนั็นเประเสริฐได้มีการกำหนดวันนี้ไว้ ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้หยุดภารกิจการงานทางโลกคือการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาให้กับการดูแลรักษาจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเกิดจากการได้รับการปฏิบัติชําละซักพอกด้วยพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งตัดสรู้ไส่งใช้ในการปฏิบัติในการชําละพระไถยของพระพุทธเจ้าจนสะอาดบริสุทธิ์ แล้วจึงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้นำอาไปปฏิบัติตามลำดับต่อไปปิตใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้มีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกาย แล้วก็มีจิตใจร่างกายเราก็ต้องดูแลเียงดูให้อยู่เป็นปกติสุขเพราะเรายังต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายในการปฏิบัติในการศึกษาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง<ม>เราก็ต้องมีปัจจัยสี่<ม>เพื่อ เลียงดูให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรไปถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็อาจจะต้องเป็นอะไรอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ดังนั้นการทำอาหากินเลี้ยงชีพนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำกัน เพียงแต่ว่าให้มีขอบมีเขตให้มีประมาณทำเท่าที่จำเป็นก็พอเพราะว่าเรายัางต้องมีเวลาไว้ให้กับการเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราด้วยซึ่งเป็นจิตใจของพวกเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายหลายร้อยหลายพันหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องสิ้นสุดลงแต่ใจของพวกเรานี้อยู่ไปจนไม่มีวันดับไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายใจอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนเท่านั้นเอง อยู่กับทุกข์หรืออยู่กับการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มาดูแลใจใจก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ามาดูแลใจมาคอยชําระใจกำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะประาศจากความทุกข์ต่างๆ แล้วก็จะอยู่กับความหลุดพ้นจากความทุกข์ไปชั่วการนานาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้รับการชำระใจใจก็จะอยู่กับความทุกข์ไปชั่วการนานาอย่างใจของพวกเราขณะนี้ยังอยู่กับความทุกข์กันอยู่และอยู่กันมาเป็นเวลาอันยาวนานนับจำนวนไม่ได้ ปริมาณเวลาที่เรามาร้องห่มร้องไห้ตอนนี้น้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วมันมากมายิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรซอกนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่ใจต้องแบกต้องทนอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะต้องแบกความทุกข์นี้ต่อไปอีก อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพบด้วยการพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือพบด้วยการพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการ บันทึกเก็บไว้ในพระคำภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็ได้ต้องมีพระธรรมคำสอนถึงจะรู้ว่าใจของเรานี้เป็นอย่างไรและตกอยู่ในสภาพไหนถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเลยเราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าใจของเรานี้ไม่ได้เป็นส่วนขอ ง, ของร่างกาย ถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าใจกับร่างกายเป็นส่วนนันเป็นส่วนเดียวกันคือเช่นคิดว่าใจนี่อยู่ที่สมองสมองเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้อะไรต่างๆแต่นี่ตามความเป็นจริงแล้วสมองนี่ไม่ใช่เป็นใจใจนี่เป็นนามธรรมา เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความสามารถอยู่ห้าประการด้วยกันือมีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้มีความสามารถที่จะคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆได้มีความสามารถที่จะจดจำํำหรือ หมายรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วก็มีความสามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายได้มาเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายอันนี้แหละคือใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย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 น้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อเป็นต้นนี่คือส่วนประกอบของร่างกายอาการสาสบสองแต่ตัวส่วนประกอบของใจคือการรู้เรื่องราวต่างๆการมีความรู้สึกนึกคิดอันนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ที่ใจใจเป็นสิ่งที่ลึกลับเพราะว่าใจไม่เหมือนกับร่างกายที่มีรูปร่างหน้าตา ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกมนิ้งกายแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีร่างรูปร่างหน้าตามร่างกายจึงอาจจะทำให้ไปหลงคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปถ้าเป็นคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องดูแลจิตใจอย่างอย่างไร เพราะว่าเพียงแต่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้มีปาศากโรคภยัยไค้เจ็บก็ถือว่าได้ดูแลเพียงพอแล้วคน mm hmm. เราทุกคนที่ไม่มีธรรมะจึงมุ่งไปที่การเลี้ยงดูร่างกายทํ mm hmm. างานทําการมาเพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายอยู่สุขสบาย เราคิดว่าเมื่อร่างกายมีความสุขมีความสบายแล้วสามารถทําอะไรตามตามความอยากต่างๆได้แล้วใจจะมีความสุขไปตลอดแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่งที่คิดกันได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้ความสุขจากสิ่งใดมามากน้อยเพียงไรไม่นานสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็น ของที่ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีการสูญเสียมีการพลาดพลาดจากสิ่งที่ได้มาไปก็จะเกิดความเศร้าเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาชีวิตก็เลยคุกเข่ตลับไปกับความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้มาแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งที่อยากได้ เวลาสิ่งที่อย่างได้มีการเปลี่ยนไปหรือมีการหมดไป<ม>ชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปก็ไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนทดแทนเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปทาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบความสุขที่ได้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความสุข สลับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนี่คือลักษณะของคนที่คิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นส่วนเดียวกันดูแลร่างกายหาความสุขให้กับใจด้วยการทำตามความอยากต่างๆใจก็จะมีความสุขร่างกายก็จะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราว เป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปตามลำดับต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับใจและกายนี่นมันเป็นของชั่วคราวมันอยู่ภายใต้กฎของตายรักเกื้ อ, อนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นลาบยศจัลเสิญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจห ม, มูกนิ้กายล้อนอยู่ภายใต้กฎของใตรลักทั้งสิน้นได้ลาบมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเสรื่อมลาบไปเป็นธรรมดาได้ยศมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็มีการเสื่อมยศไปเป็นธรรมดาได้สัรเสิญมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้มินทามาเป็นธรรมดา ได้ความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดทะพามาแล้วไม่ช้าก็เลยก็จะได้ความสุขได้ความทุกข์จากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดทะพ อ, อันนี้คือเป็นคุณลักษณะของสิ่งต่างๆที่สัตว์โลกทั้งหลายคิดว่าจะให้ความสุขกับตนก็เลยเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้กันโดยไม่ได้รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริง โดยไม่รู้จักคุณละสมบัติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยมเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบครอบคุมควบคุมของใครไม่ได้เป็นสมบัติของใครเป็นเป็นเป็นภาวะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเจริญมีการเสื่อมอยู่เรื่อย สัตว์โลกที่ไม่มีปัญญาก็ก็จะต้องทุกข์กับเวลาที่ต้องสูญเสียจากสิ่งที่ตนเองคิดว่าจะให้ความสุขกับตนไม่ว่าจะเป็นลาบกคกดียอดคดีสรรเสริญคดีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคดีสามารถให้ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งความทุกข์สลับกันไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครไปสามารถไปควบคุม ไปสั่งให้มันให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้สารโลกที่คิดว่าการดูแลร่างกายและการตอบสนองตันหาความอยากของใจนี้จะทําให้อยู่อย่างมีความสุข <c oughs> <c oughs> ก็จะต้องปร ะ, ประสบกับความผิดหวัง <això> <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วนี่ <c oughs> Drink คือความหลงที่ทําให้สารโลกต้องตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ต่างๆ เพราอไม่รู้ว่าการเลี้ยงดูการให้ความสุขกับใจนั้นต้องให้ความสุขแบบไห น, นถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในโลกนี้สักครั้งหนึ่งที่จะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่สารโลกหรือผู้ที่มาเกิดในโลกนี้ คิดว่าให้ความสุขกับตนนั้นล้วนเป็นความสุขชัวว่วคราวล้วนเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปเพราะร่างกายของผู้ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นของที่จะต้องเสื่อมไปเมื่อร่างกายเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปทุกคน เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาร่างกายจะตายการที่จะหาความสุขใดๆก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า <c oughs> เครื่องมือที่จะใช้ในการหาความสุขไม่มีสมรรถภาพไม่มีความสามารถที่จะทําได้ทําได้ก็ได้แต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่สามารถ มีความสุขกับสิ่งต่างๆได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นและได้ทร ง, งพิจารณาว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่า สิ่งต่างๆที่ร่างกายหาต้องการก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายก็เป็นอนิจนาานนจังทุกขังอนัตตา<ม>แล้วจะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์จึงทรงคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้ใจมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงไปเห็น ผู้ที่เป็นนักบวชนแ ล, ล้วรู้ว่านักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะค้นพบหรือกำลังค้นหาวิธีที่จะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระทัยสาราลาจะสมบัติแล้วก็ไปศึกษาไปบวชอยู่กับพวกนักบวชทั้งหลายเพื่อจะได้เรียนรู้ การวิธีหาความสุขให้กับใจแบบที่ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาทุกข์ทรมานใจ <c oughs> นักบวชในสมัยนั้นเขาก็ค้นพบวิธีที่จะให้ความสุขกับใจด้วยการปฏิบัติสมถะภาวนาคือการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเน่งนั่นเอง เพราะเวลาใจที่สงบนิ่งแล้วใจยังมีความรู้สึกเย็นมีความสบายเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่สามารถที่จะมีได้ทุกเวลาตลอดแม้กระทั่งเวลาที่ร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายก็ตามความสุขที่เกิดจากกัน ทำใจให้สงบนี้ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ทำเป็นแล้วจะสามารถทำได้อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการที่จะทำให้ใจสงบให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆเหมือนกับความสุขของทางโลกหรือความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพอตพะหรือความสุข ที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมื อ, อความสุขที่ได้จากความสงบนี้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในใจเครื่องมือที่อยู่ในใจก็คือสติาการระลึกรู้เพื่อให้คอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิดกันเพราะว่าถ้าสามารถใช้สติทําใจให้สงบได้ให้หยุดความคิดได้ ความสงบก็จะเกิดขึ้นมาสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งที่มีอยู่ในสมาธิก็คือความนิ่งสงบความเย็นความสบาย<ม>ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<ม>อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขัง<ม>สุขเอินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขแบบนี้แหละ เป็นความสุขที่สามารถทำได้และรักษาไว้ได้ไปเรื่อยๆยกเว้นเพียงแต่เวลาที่ขาดสติเผลอสติเท่านั้นที่อาจจะทำให้ความสงบนั้นหายไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวในสมัยนั้นนักบวชทั้งหลายก็รู้จักวิธีห า, าความสุขึระงับความทุกข์ใจด้วยการเข้าสมาธิกัน แต่เวลาออกจากสมาธิมามเวลาใจเผลอเวลาใจขาดสติ<ม>ความทุกข์ทางใจก็โผล่ขึ้นมาได้บางทีไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงเรื่องของความตายขึ้นมาความทุกข์ใจก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าทำอย่างไรจะทําให้ความทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นเหมือนกับตอน ที่อยู่ในสมาธิเพราะตอนที่อยู่ในสมาธินี้ใจนิ่งสงบใจไม่คิดถึงความเจ็บความตายความทุกข์ของใจก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไรความทุกข์ใจก็โผล่ขึ้นมาทุกครั้งไปไม่มีใครรู้ว่าจะทำไงให้ใจไม่ทุกข์ ให้ใจสงบเหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิพระพุทธเจ้าทรงอยากที่จะทําใจให้สงบให้ไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือจะไม่อยู่ในสมาธิก็ตา ม, อ, มอยากจะหาวิธีอยากจะหาว่าทําไงให้ใจไม่ต้องทุกข์หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วให้ใจมีความสุขมีความสงบเหมือนอยู่ในสมาธิ ไปศึกษาไปถามครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าทําให้ใจไม่ทุกข์ได้อย่างไรเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเมื่อไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนพระองค์ได้พระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ส่งค้นพบสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจทุกข์ เวลาที่ออกจากสมาธิมา mm. เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ใจไม่สงบใจไม่มีความสุขเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็เพราะความอยากต่างๆนี่เความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสนรเิญหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นลดผลภะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเหล่านี้เป็นเหตุที่ทาให ความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจแล้ววิธีที่จะทําให้ความอยากเหล่านี้หมดสิ้นไปก็ต้องเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่ความอยากต้องการอยากได้ลาบยศเสรเสริญสุขก็ต้องเห็นว่าลาบยศเสรเสริญสุขเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง<ม>พอเห็นว่าลาบยศเสรเสริญสุขเป็นทุกข์มไม่ใช่เป็นสุข ได้มาแล้วแทนที่จะดับความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์กลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเช่นเวลาอยู่คนเดียวก็มีความทุกข์อยู่กับความว้าเหวความเหงาที่ว่าถ้ามีเพื่อนคู่ครองอยู่ด้วยแล้วก็จะมีความสุขความทุกข์ก็จะหายไปความจริงความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหวก็หายไปชือก ในขณะที่ได้แฟนมาได้อยู่กับแฟนแต่ความทุกข์ใหม่ก็จะเกิดตามมาคือความทุกข์กับแฟนนึงแฟนก็เป็นคนเป็นของที่ไม่แน่นอนบางวันแฟนก็ดีบางวันแฟนก็ไม่ดีเวลาแฟนดีก็มีความสุขแต่พอวันไหนแฟนเปลี่ยนไปแฟนไม่ดีขึ้นมาวันนั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ซึ่งไม่ไม่ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีแฟนถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องทุกข์กับแฟนคนที่ไม่ฉลาดก็จะมอง ก, ก็จะคิดอยู่ด้านเดียวว่าถ้าได้แฟนมาแล้วเราจะได้มีความสุขเราจะไม่เหงาเราจะไม่ว้าเวแล้วแฟนจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยแต่ความจริงแล้วแฟนก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน เพราะว่าบางวันแฟนก็อาจจะมีอารมณ์ดีบางวันแฟนก็อาจจะมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ได้วันที่มีอารมณ์ดีก็เอาอกเอาใจเราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรก็ยินดีทำให้แต่วันไหนที่มีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเขาก็บางทีก็ไม่อยากจะทำอะไรให้เราก็ได้หลัง น, นั้น เราก็จะต้องทุกข์ใจขึ้นมาเวลาอยากให้เขาทำอะไรให้กับเราแล้วเขาไม่ทำให้กับเราอยากให้เขาดีกับเราเขาก็ไม่ดีกับเราอย่างี้มันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้คกินตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถึงแม้เขาจะให้ความสุขกับเราแตรมันก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่เปลี่ยนได้หายได้หดได้หมดได้ แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้<ม>เห็นบางทีวันไหนอารมณ์ดีเขาก็พูดดีกับเราฟังแล้วก็มีความสุขใจวันไหนอารมณ์เขาไม่ดีขึ้นมาเขาก็อาจจะด่าเราก็ได้พูดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาก็ได้พอ<ม>เขาขึ้นพูดสิ่งที่ไม่ดีด่าเรามันก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมานี่คือตัวอย่างของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราอันนี้คือปัญญาต้องไหมต้องเห็นต้องรู้ทันเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปมองเพียงแต่ด้านของความสุขอันนั้นต้องมองว่ามันเป็นอีกมันมีอีกด้านหนึ่งมันเหมือนกับเหรียญเหรียญมันไม่มีด้านเดียวไม่มีหัวอย่างเดียวมันมีก้อยด้วยแล้วหัวก้อยมันก็สลับกัน บางทีมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นหัวบางทีก็เป็นก้อยฉันดาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนกันมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาด้วยกันใหม่ๆเราก็จะนอกจะได้แต่ความสุขเราถึงอยากได้กันถึงเวลาที่เราได้เงินมาแล้วก็มีความสุขกันแต่เราไม่คิดถึงเวลาที่เงินหมดเมื่อเงินหมดแล้วความสุขมันจะมาได้อย่างไร ถ้าเรามีเงินแล้วเราก็มาใช้กันเมื่อใช้แล้วมันก็ไม่ใช้ก็เลยมันก็จะต้องหมดถ้าไม่อยากให้มันหมดก็ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่มีความสุขเองมีเงินแล้วไม่ได้ใช้เงินมันก็จะไม่มีความสุขเองมันก็ต้องใช้เงินพอใช้เงินไปใช้เงินไปเดี๋ยวมันก็หมดได้ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนอันนี้จังแปลว่าไม่แน่นอนมีขึ้นมีลง มีเจริมีเสื่อมมีเกิดมีดับได้ถ้าเราคิดด้วยปัญญาเวลาที่เราเกิดความอยากที่จะได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะระงับความอยากเหล่านี้ได้สู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความเหงาอยู่กับความว้าเหว่ที่ที่ใจเราเหงาที่ใจเราว้าเหวเพราะมีความอยากจะมีเพื่อนนั่นเองพอเราหยุดความอยากมีเพื่อนได้ความเหงาความว้าเหว่ก็หายไป ควาสมสงบก็จะเกิดขึ้นมาในใจความสุขก็จะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่ระงับความอยากให้ได้เท่านั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นมาพอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสร้างความรู้สึกเศร้ซาซ้อยห้อยเหงาว้าเวไม่มีความสุขต้องมีอะไรมาให้ถึงจะมีความสุขกันอันนี้มันเป็นเรื่องของอวิชชาหรือโมหะที่ หลอกให้เราไปคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราถึงจะมีความสุขได้ถ้าเราอยู่ตามลําพังแล้วเราจะรู้สึกเหนารู้สึกเศร้ารู้สึกว่าวเวยนั่นแหละมันเป็นความเข้าใจผิดกันความจริงแล้วถ้าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราจะได้จากการที่ได้ ไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราทุกครั้งที่เราได้สิ่งใดมาก็ตามสิ่งนั้นมันก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราอย่างแน่นอน <c oughs> ไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> มากหรือน้อย <c oughs> อ น, นี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรตได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ของพวกเราความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอของพวกเรานี้มันเกิดจากความอยากซึ่งความอยากนี้ก็เกิดจากความหลง ที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราให้ความอิ่มความพอกับเรานั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรมันให้ความสุขความความสบายความอิ่มใจได้ชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปหมดไปพอ ม, มันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็ทำให้เราหิวโหวยขึ้นมาใหม่ ทำให้เรารู้สึกอดอยากขาดแคลนขึ้นมาใหม่ทำให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมาใหม่ทำให้เรารู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหงาขึ้นมาใหม่ดังนั้นการที่เราจะมีความสงบไปได้อย่างถาวรหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาที่เกิดความอยากอยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หรือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเราก็ต้องพยายามใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าความอยากเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เราอยากนั้นมันเป็นความสุขแบบชั่วคราว <Okay. S 2> ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปเปลี่ยนไปพอมันปหมดไปเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ก็ <Okay. S 2> เหมือนกับไปกลับไปเริ่มต้นใหม่ พอมันหมดไปเปลี่ยนไปเราก็ต้องไปหามาใหม่หามาได้กี่ครั้งมันก็เหมือนกันเ<ม>ลาได้มาใหม่ๆก็ได้ความสุขมาแล้วความสุขที่ได้มาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหมดไปเราก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อ ย, อย<ม>หาไปจนวันตายก็ยังก็ยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พบกับความอิ่มความพอความสุขที่ยั่งยืน พอตายไปใจที่ยังมีความหิวมีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ในโล ก, กรธรรมคือลาบยศสรเสริญในรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผลพระใจเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราต้องการที่จะมาหาความสุขจากโล ก, กรธรรมใหม่อยากจะได้ความสุขจากลาบยศสรเสริญหนึ่ง แาะการที่จะได้ราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือร่างกายนี่ที่มีตาหูจมูกนิ้นกายที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆใจก็จะต้องกลับมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายเก่าตายไปใจที่ไม่มีร่างกายก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ ก็จะรอรอเวลาที่จะไปรับร่างกายใหม่ช่วงที่รอเวลาที่จะไปรับร่างกายใหม่ก็เป็นช่วงที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่ที่ไม่ ท, ท, ที่มีชีวิตอยู่เพราะเวลาที่จะหาราบยศเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่นลนี้บางครั้งก็หาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้พอหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องอาศัยวิธีทุจริ ด้วยการทำบาปในรูปแบบต่างๆจะเป็นการโกหกหลอกลวงหรือว่าเป็นการช่อกงลักทรัพย์ของผู้หรือบางครั้งก็อาจจะต้องมีการฆ่ากันก็มีมเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้กัน<ม>อันนี้ก็จะเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นมาในใจซึ่งจะมีส่งผลต่อใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าได้ทำบาปไว้มากกว่าได้ทำบุญบาปก็จะมีกำลังส่งผลให้กับใจก็จะส่งให้ใจนี้ไปเวียนว่ายอยู่ในในทุกขติในในโลกในส่วนที่ในพบที่มีแต่ความทุกข์ถ้ายังไม่ได้เกิดก็จะเป็นเปรตบ้างเป็นนศรลกายบ้างไปตกนรกบ้าง หรือถ้าได้เกิดก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ในกระฉานถ้ากรรมถ้าบาปกรรมถ้าบาปยังมีอิทธิพลต่อจิตใจมากกว่าบุญเนี่ยแต่ในทางตรงกันข้ามสาหรับคนบางคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมุงลิ้นกายโดยที่ไม่ต้องทาบาปเพราะมีความรู้มีความฉลาด ที่สามารถห า, าลาภยศเสริญสุขได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปแล้วหาได้มามากกว่าที่ที่จะสามารถใช้เองหรือเก็บไว้ใช้ได้ก็อาจจะเอาไปแบ่งให้กับคนอื่นก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญผู้ที่ได้ทำบุญถ้าบุญนี้มีกำลังมากกว่าบาปเวลาที่ร่างกายตายไปบุญก็จะ มีส่งผลให้ให้กับใจให้กับดวงวิญญาณที่จะดึงให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในสิ่งของสุขต mm hmm. คติในในภพที่มีแต่ความสุขคือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเอง mm hmm. อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ร่างกายใหม่รอรับร่างกายใหม่ แต่ยังไปรับไม่ได้ก็ต้องเพราะว่ายัางอยู่ภายยังต้องอยู่ในช่วงที่ใช้ใช้บุญหรือใช้บาปไปก่อนจนกว่าบุญหรือบาปนีไม่มีกําลังที่จะดึงใจให้อยู่ในสุขคติหรืออยู่ในทุกขติได้แล้วก็ะจะไปรอรับร่างกายใหม่เพราะยังมีความอยากที่อยากจะไปใช้อยากจะไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขจากราบยศเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอีกนี่แหละคือการวินวายตายเกิดของใจของคู่ที่ยังมีกัรหาความอยากทั้งสามประการอยู่ในใจการมาตัญหาความอยากเสีงรูปเสียงกลิ่นรสภาวาตัญหาความอยากมีอยากความอยากมีอยากเป็นมีภาวาตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้ลวนจะเป็น เหตุที่จะพาให้ <c oughs> ดวงวิญญาณจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่เป็นอยู่กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีผู้รู้ผู้มาสอนวิธีให้เราหยุดความอยากกันพวกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พบนี้ชาตินี้โวกเราโชคดี ที่ได้มาเจอกับพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็าตามก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเรายังสามารถรับประโยชน์จากพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่ยังมีอยู่อีกส อ, สองแหล่งที่เราเข้าหาได้คือในพระคมพีพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นที่บรรจุที่เก็บ คำสอนต่างๆที่พู้เจ้าได้ทรงแสดงไว้ในตลอดระยะเวลา45พันษาด้วยกันทรงแสดงวิธีการดับทุกในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับทานระดับศีลระดับภาวนาขึ้นไปทรงแสดงแล้วก็มีการจดบันทึกจดจำมาไว้ในเบื้องต้นแล้วต่อมาก็มีการบันทึกเป็นตัว อ, อ, กอักษรตอนนี้ก็อยู่ในหนังสือ ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาจากพระคมภีพระไตรปิฎกในพระสูตรพระไตรปิฎกนี้มีแบ่งไว้เป็นสามส่วนมีพระวินัยมีพระสูตรแล้วก็มีพระอรพิธรรมพระวินัยนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระวินัยกฎระเบียบต่างๆของนักบวช คือของพระภิกษุและภิกษุณีส่วนพระสูตรนี้ก็เป็นพระธรรมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆทรงสแสดงวิธีดับทุกข์ดับได้อย่างไรทรงสอนวิธีสอนวิธีเจริญเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับทุกข์ก็คือมักมแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนา น, นี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะศึกษาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าได้เพราะาพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าพวกเราชาวผู้นี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นาศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์ก็คือพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่หคือพระธรรมคาสอนต่าง ที่ได้ส่งแสดงไว้แล้วได้มีการจดจำและบันทึกไว้ในพระคำพีพระไตรปิฎกนี่ถ้าเราได้ศึกษาพระคมภีพระไตรปิฎกนี้ก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีอีกแหล่งหนึ่งที่เราสามารถจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็คือศึกษาจากพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันได้แก่พระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระนาคามีและพออลระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ก็จะมีความรู้ในการดับความทุกข์ต่างๆในระดับต่างๆกันขั้นแรกก็ระดับได้ส่วนส่วนหนึ่งขั้นที่สองก็ระดับดับความทุกข์ได้ อีกส่วนหนึ่งขั้นที่สามก็ดับความทุกข์ได้อีกส่วนหนึ่งส่วนขั้นที่สี่ก็จะดับความทุกข์ได้ได้หมดสิ้นไปจากใจท่านเหล่านี้ก็จะสามารถสอนวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่ท่านรู้ในระดับของท่านได้ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปพบป๋ากับพระที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่เรเรียกว่าพระสุ ป, ปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการ ในการดับความทุกข์ต่างๆแล้วถ้าเรามีความสงสัยไม่เข้าใจในเรื่องใดในอะไรในบทใดเราก็สามารถทราบสอบถามได้เพื่อความกระจา่างนี่คือ <c oughs> สิ่งที่เราจะได้จากการที่เราได้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็ได้มีได้พบกับผู้ที่รู้ทางสู่การปลดพ้นจากความทุกข์หรือ ได้พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่ความสงคำคาสอนของพระเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้นั้นก็ยังอยู่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระคำภีถ้าเราได้ศึกษาพระสูตรใดเราก็เหมือนกับเราได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้ <c oughs> นี่คือสิ่งที่พวกเราถือว่าโชคดี ที่พวกเราได้เกิดมาได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนที่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ <c oughs> ทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเราจะมีศรัทธาวความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราไม่มีศรัทธาวความเชื่อเราก็จะไม่มาศึกษาเราก็จะไม่ปฏิบัติ เราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกได้แต่ถ้าเราเกิดมีความสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วเราได้มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพอศึกษาแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมารู้วิธีการดับทุกข์ขึ้นมารู้ว่าเหตุของความดับทุกข์รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรและวิธีการที่จะดับความทุกข์นั้นดับได้อย่างไร มันก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธาขึ้นมาศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื<ม>้องต้นก็ศรัทธาให้มีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เป็นความจริงที่สามารถนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้เมืม่อเราได้ศึกษาเข้าไปไดเรื่อยเราก็จะเริ่มเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเรา ศึกษาไปแล้วเราก็จะรู้ว่าถึงแม้เราได้ศึกษารู้วิธีการดับความทุกข์แล้วแต่ความทุกข์ในใจมันก็ยังไม่ดับจากการศึกษาเพียงอย่างเดียว<ม>เพราะว่า <c oughs> เรายังต้องมีการปฏิบัติต่อไปนั่นเอง <c oughs> ถึงจะสามารถที่จะก <c oughs> าจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจที่ความรู้ที่ได้จากการศึกษายังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ ความความทุกข์ที่เราอาจจะดับได้จากการศึกษาก็คือบางบางเรื่องบางราวที่เราไม่ที่เราเอามาใช้ดับได้นะแต่บางเรื่องบางราวนี้บางทีเราก็ยังดับไม่ได้ด้วยเพียงแต่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวพ่าเรื่องที่เรายังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ยังไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับความยากต่างๆนั่นเอง เพราะการดับความทุกข์ไม่ว่าจะดับด้วยดับในเรื่องใดก็ตามมันต้องดับที่ความอยากเท่านั้นถ้าอยากได้สิ่งนั้นแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ไม่อยากได้ถ้าเวลาอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนั้นให้ได้ <c oughs> ความอยากบางอย่างนี้เราก็ดับได้ในระดับทีใ่ในกำลังที่เรามีอยู่ ก็ในแต่ละคนนี้อาจจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ในบางระดับแต่ในบางระดับก็ยังอาจจะดับไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้กำลังมากขึ้นนั่นเองเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ที่เรายังดับไม่ได้จากความที่เราได้ศึกษาเราศึกษาบางเรื่องแล้วเราอาจจะดับได้เช่นเราศึกษาว่าความทุกข์นั้นเกิดจากการไปทำบาปนี้เราก็อาจจะ มีกำลังพอที่จะห้ามได้ห้ามไม่ให้โกหกได้ห้ามไม่ให้ไปประพฤติผิดประเพณีได้ห้ามไม่ให้ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นได้ห้ามไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้อันนี้ถ้าเราถ้าเราสามารถห้ามใจเราได้เราก็จะสามารถหยุดความทุกข์ได้ในระดับของการกระทาบาปได้ แต่ยังมีความทุกอย่างในเรื่องอย่างอื่นที่มันลึกที่มันละเอียดกว่านี้เช่นความความอยากมีอยากเป็นนี้อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากใช้คนสรรเสริญยกย่องเยินยออันนี้มันอาจจะเป็นความอยากที่ละเอียดที่ยากขึ้นที่เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะดับมันได้เราก็ต้องไปเพิ่มกําลังของใจของเราให้มีมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการ ดับความอยากที่เรายังดับไม่ได้สิ่งที่จะเพิ่มพลังให้กับใจของเราให้มีกำลังที่จะไปสู้ไปดับกับความอยากเพิ่มได้มากขึ้นก็คือการไปสร้าง ส, สร้างสติสร้างสมาธินั่นเอง <S 2> <S 2> <S 2> เรายังอาจจะไม่สามารถหยุดความอยากได้ร้อยเปอ์เซตหยุดทาใจให้นิ่งได้ร้อยเปซนถ้าเรายังทาใจให้นิ่งไม่ได้ร้อยเปอร์ซตการที่จะไปหยุดความอยากให้มัน ให้มันหายไปหมดมันก็ยังทําไม่ได้อยู่ทําได้ในส่วนที่กําลังของเราหยุดมันได้ในส่วนในส่วนที่มันเหนือกําลังของเราเราก็ต้องไปสร้างกําลังใจขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิกันการที่เราจะฝึกสตินั่งสมาธิได้เราก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะปฏิบัติได้ไม่มากเช่นบางถ้าเรายังทำงานมีภารกิจกับเรื่องงานต่างๆอยู่เวลาที่เราจะเอามาให้สร้างกำลังให้กับใจคือการมาฝึกสตินั่งสมาธิก็จะมีน้อยมากอาจจะวันหนึ่งอาจจะได้สักครั้งหรือั้งครั้ ง, ค ร, งครึ่งชั่วโมงเป็นต้นเช่นก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อน แล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ฝึไหว้พะระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทําภารกิจการงานต่างๆการมีเวลาเพียงแค่สองช่วงคือประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้มันยังน้อยมากมันยังไม่พอเพียงกับการที่เราจะไปหยุดความอยากที่มันมีกําลังมากกว่า น, นี้ได้การที่จะก <c oughs> ารที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นี้เราจําเป็นต้องมีเวลา ที่จะมาฝึกหยุดควา ม, ยวามอยากหรือทำใจให้ใจนิ่งให้สงบได้ทั้งวันทั้งคืน<ม>เราต้องสามารถควบคุมใจให้เรานิ่งได้ตลอดเวลาในขณะที่เราเออกมาจากสมาธิถ้าไม่นิ่งเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิทำให้มันนิ่งมามมเราถึงจะสามารถมีกำลังที่จะมาใช้หยุดกับความอยากต่างๆถ้าเราพิจารณาว่าเวลาใจเราทุกข์ขึ้นมา เกิดจากความอยากชนิดใดเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดจากความอยากชนิดนี้เราก็ต้องหยุดความอยากนี้ถ้าเรามีมีความนิ่งของใจตลอดเวลาเราก็จะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ดังนั้นสิ่งที่เรายังต้องมาทําต่อหลังจากที่เราได้ศึกษาวิธีการดับความทุกข์แล้วเราก็ยังต้องมาสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นให้มีมากขึ้น เพราะเรายัางไม่สามารถที่จะระ ง, งับดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ก็<ม> แ, แสดงว่าใจของเรายัางกําลังไม่พอ<ม>เราต้องมาสร้างกําลังให้เพิ่มมากขึ้นกําลังที่จะเป็นตัวที่จะมาทําลายความอยากต่างๆก็คือเนี่ยแหละก็คื อ, ก, คอการมีเวลามาฝึกสติถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่า ความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดจากความอยากของเราเองในการจะหยุดความทุกข์หยุดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดับความอยากยังมีกําลังไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากก็คือความเพียรความเพียรพยายามที่จะที่จะฝึกสติจเจริญสติที่จะนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้รวม แล้วก็ความเพียรพยายามที่จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเป็นร่างกายก็ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นยังต้องมาทำกันต่อถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่ ยังมีกำลังไม่มากพอเราจะมีความเพียรพยายามแต่ยังมีความเพียรพยายามไม่เต็มร้อย<ม>เรายัางจึงไม่สามารถสร้างสติให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องได้ตลอดเวลาไม่สามารถทำใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธิได้ตลอดเวลาไม่สามารถพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ตลอดเวลานั่นง ม, มันก็ทําให้เราเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาบางเวลา ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ดัง <c oughs> นั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องมาสร้างสร้างสร้างความเพียรสร้างสติด้วยความเพียรสร้างสมาธิด้วยความเพียรสร้างปัญญาด้วยความเพียรเราก็ต้องปล่อยวางงานต่างๆทางโลกไปให้หมด <c oughs> เปลี่ยนงานจากงานทางโลกมาให้เป็นงานทางธรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องไปเป็นนักบวชกัน <c oughs> ไปอยู่แบบนักบวช ไม่มีภ า, ารกิจการงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการสร้างกำลังของใจมาปฏิบัติสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาให้มีอยู่อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาในภายในใจพอเวลาที่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็สามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้ทันที จะมีสติสมาธิมีปัญญาที่สามารถที่จะกำจัดความอยากได้ทันทีก็ต้องมีการปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นพระอุตจ้าสอนนักปฏิบัติคือพระภิกษุนี้ให้นอนคืนละแค่สี่ชั่วโมงตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มไปถึงตีสองนี้ให้พักผ่อนหลับนอนหลังจากปีสองต่นขึ้นมาก็ให้มาทำความเพียรเจริญสตินั่งสมาธิหรือพิจารณาทางปัญญา แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับใดถ้าเรายังอยู่ในระดับสติก็เพียรสร้างสติไปก่อนถ้าเรามีถ้าเราอยู่ในระดับสมาธิก็เพียรนั่งสมาธิให้มากไปก่อนจนกว่าเราจะได้สติได้สมาธิแล้วเราถึงไปสู่ขั้นปัญญาพอเราเข้าสู่ขั้นปัญญาเราก็จะเพียรเจริญพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็พิจารณาไปจนกระทั่งรู้สึกจิตเริ่มฟุ้งจิตแลิไม่สงบ เราก็หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปพักจิตก่อนเพราะจิตก็ต้องเป็นเหมือนน่างกายเมื่อเอามาใช้ทํางานแล้วมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าได้ประสิทธิภาพในการทํางานมันก็จะด้อยลงไปหรือหมดไปยิงอกยิงต้องผัดกันเรื่องเวลาถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาแล้วนี้เราจะไม่เจริญปัญญาตลอดเวลาเราจะเจริญปัญญาถึงขีดที่เรารู้ว่าปัญญาเริ่ม ไม่ได้เป็นปัญญาแล้วนั่นเป็นเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วไม่ได้เหตุไม่ได้ผลแล้วก็ให้อยู่การพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาที่สมาธิทำใจให้สงบก่อนทำใจให้สงบให้มีกําลังก่อนแล้วก็ออกมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปจนสามารถมีปัญญาเห็นชัดเช่นเห็น ส, สัุพราได้ตลอดเวลาเวลาที่จะคิดถึงร่างกายของใครก็คิดถึงอาการสามสิบสองของเขาขึ้นมาทันที เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอพอเนึกถึงอาการสาสิบสองขึ้นม า, พพนม า, า, นมาปั๊บการอารมณ์นั้นก็ดับไปได้เลยอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่ามีปัญญาที่จะมาใช้ดับตัณหาความอยากดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากได้ต้องอยู่ที่ความเพียรปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นหลังจากตีสองุเจ้า ก, ก็ให้ให้พระภิกษุนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อมาเจริญ สติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแล้วแต่ระดับของผู้ปฏิบัติแล้วพอสว่างหกโมงเช้าก็ให้ไปออกบินทบาทช่วงบิณทบาทก็ให้เจริญสติไปเรื่อยๆให้ปฏิบัติต่ตอไปถึงแม้ว่ า, าจําเป็นจะต้องไปทําภารกิจบางอย่างก็ให้ทําควบคู่ประกอบการไปเจริญในการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับกิจที่กําลังทําอยู่ เวลาเดินบ like ินธบาะก็ให้มีสติอยู่กับการเดินไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เวลากลับมาจากบิณธบะเวลาขบฉันก็ให้มีสติอยู่กับการขบฉันเวลาเสร็จฉันเอาไปล้างบาปก็ให้มีสติอยู่การล้างบาปไม่ว่าจะทํากิจอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแจนก็ทั่งเสร็จภารกิจต่างๆก็กลับไปที่พักเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่อถ้ากลับไปแล้วก็จะไปเดินจงกรมต่อ เพราะว่าถ้าไปนั่งสมาธิอาจจะนั่งหลับได้พราะเวลาที่รับประทานอาหารเสร็จมาใหม่ๆแล้วมันจะมีความรู้สึกง่วง น, นอนถ้านั่งเฉยๆส่วนใหญ่ก็จะมากพยายามเปลี่ยนไปเป็นการเดินจงกรมแทนเดินจนกระทั่งรู้สึกความง่วงหายไปก็กลับมานั่งกลับมานั่งสมาธิหม่อยก็สลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาที่ต้องไปทํากิจอย่างอื่นต่อไปเช่นไปทํำการปัดกวาด ไปทำความสะอาดวัดวารามทางเดินอะไรต่างๆก็ทำด้วยมีสติเมื่อเสร็จภารกิจเหลนะ่านั้นแล้วก็บางบางครั้งก็จะมีน้ำปะนะให้ฉันเวลาฉันน้ำปะนะก็ให้มีสติอยู่กับการฉันน้ำปะนะฉันเสร็จแล้วก็ติดตัวกันไปไม่มาคุกคีกันพรันนี้เวลามาทำกิจร่วมกันก็จะมักจะไม่คุยกันต่างคนต่างมีสติคอย คอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ให้มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่พเพรอะสียใจาภารกิจการงานก็แยกกันไปไปกลับไปอยู่ที่พักของตนไปปฏิบัติต่ออันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติเต็มร้อยเลยไม่มีภารกิจการงานอย่างอืงอ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่มีการไปหาเงินหาทางไปหาลาบยศเสรเสริญ ไม่มีการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่หาธรรมะที่สําคัญอยู่สามรูปสามธรรมะด้วยกันก็คือหาสติหาสมาธิหาปัญญาทั้งนี้ให้ใจมีสติมีสมา ธ, มมาธิมีปัญญาอยู่เต็มร้อยเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาเต็มร้อยแล้วกิเลสตัณหามันจะสู้สู้ใจไม่ได้ เวลามันโูกขึ้นมาใจก็จะสามารถยับยั้งมันได้หยุดมันได้ ท, ทันทีแต่ในที่สุดกิเลสตัณหาที่เคยมีอยู่ในใจที่เคยเป็นเจ้าครองใจก็จะถูกถูกอำนาจของธรรมะคือของสติของสมาธิของปัญญานี้ทําลายมันจนหมดสิ้นไปทำให้ใจนี้กลายเป็นใจที่สาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สาบริสุทธิ์นี้ก็เป็นใจที่จะไม่มีการไปเกิดอีกต่อไป เพราะเชื้อแห่งพพชาติคือกิเลสตัณหาได้ถูกกำจัดด้วยด้วยอำนาจของธรรมคือสติสมาธิปัญญานี้นั่นเองใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ไม่ไปเกิดอีกต่อไปใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาอันนี้เราเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่สถานที่พระนิพพานก็คือใจที่ได้รับการชระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเอง ใจนี้ก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องไปเกาะร่างกายเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆพราอใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลายังไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามารักษาใจกันมาดูแลใจกันให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์กัน เมื่อใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วงานทางงานทางใจก็จะหมดสิ้นไปไม่มีวันที่เราจะต้องกลับมาทำงานแบบนี้ต่อไปกิดทางโลกนี้ต่อให้เราทำมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันหมดหาเงินหาทองเี้ยงดูร่างกายไปจนวันตายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่พอมาเกิดก็ต้องมา ต้องมาเจริญเติบโตแล้วก็ต้องมาทางานทาการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ต้องเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่มีศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะหาความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าเรามาพบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติตามคำสอนได้เอาไปสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นภายในใจเพื่อที่จะได้มาทำลายความอยากต่างๆกิเลสตัณหาต่างๆที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดที่พาให้เรามาต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะหยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่มีในโลกนี้ต่อไปนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราในวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่านี้ไปทําภารกิจอย่างอื่นอย่าเอาไปเที่ยวไปหาความสุขกับความอยากต่างๆเพราะมันเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปให้เรามาหาความสุขจากการปฏิบัติ ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญากันจะดีกว่าเพราะว่าจ ะ, ะเราจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะทําให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจเราหายไปหมดเพือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือภารกิจในวันพระที่พระเจ้าได้ส่งมอบมาให้แก่ชาวพุทธให้นํามาไปปฏิบัติก็ขออามาฝากท่านไว้เพียงเท่านี้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะวาสุยาตามณิจดีวาสุยทาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขิติกายุโกภวาอภิวาธนสีลิสานิจังวุทาปจายโน ชตารวธรมวาทันเตอายุวานุสุขังภาลังช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่มีเวลาพอที่จะตอบคำถามไม่ได้ นั้นอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมดนาคุติทางเฟ e b ุ o k พระอาจารย์495ท่านทาง YouTube พระอาจารย์351ท่าน ทางยูทูบดอตเตอร์วี c h a n n หกสิบเอ็ดท่านวิดีโอออนไลน์ห้าท่านครับเพ้าสามท่านนาคุติสองร้อยหนึ่งท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหท่านเจ้าค่ะเจ้า ค, ค่ะมีคำถามจากเด็กๆที่มารับฟังธรรมะนาคุติเจ้าค่ะคำถามจากน้องเจ ผีมีจริงไหมเจ้าคะหลวงตาผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริง <c oughs> ผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกเราเขาไปรับผลบุญผลบาปของเขาแต่ผีที่มาหลอกเราก็คือผี <c oughs> ผีไม่จริงใจเราคิดเป็เองเวลามีผีหลอกนี่แสดงว่าใจเราหลอกตัวเราเองผีจริงๆริงเขาไม่มีเวลาจะมาหลอกเราเขาต้องไปรับผลบุญผลกรรมของเขา คำถามต่อไปเจ้าค่ะการเป็นเป็นเพศแบบเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลเทนเจนเดอร์พิศาสนาไหมครับยังไงนะถามใหม่ดิการเป็นเพศพวกเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็เทนเจนเดอร์อะไรเงี้ยค่ะพิศาสนาไหมครับก็แล้วแต่เขานะคนเราทุกคนจะมีศาสนาหรือไม่อยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ คำสั่งคำสอนของาศาสนานั้นหรือไม่ถ้าเราเชื่อเราก็มีาศาสนาเช่นถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำบาปทำบุญนี้เราก็จะทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะทำบุญอยนี้เราก็เชื่อมันไม่อยู่ที่เพศเป็นหญิงเป็นชายเป็นเกย์หรือเป็นอะไรก็สามารถมีาศาสนาได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อถ้าไม่มีศรทัทธาความเชื่อก็ไม่มีาศาสนาบางคนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องของาศาสนาว่าเป็นความจริง เขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเขาก็ไม่เชื่อไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ความเชื่อของเขาหรือไม่เชื่อของเขาใช่ค่ะคนถามจากนากุติคุณพ่ออยากมีหลานแต่เสียชีวิตขณะที่ลูกตั้งครรภ์ได้สามเดือนเป็นไปได้ไหมคะที่คุณพ่อจะมีจิตผูกพันกับหลานในคันจนไปเกิดเป็นเด็กที่อยู่ในคั น, นั้นขอบคุณค่ะ ก็เป็นไปได้แต่มจะเป็นหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากที่หลวงปู่มั่นท่านก็เคยเคยเคยเคยเล่าให้ฟังว่ายายกันหลานนี่เขามีความผูกพันกันมากมงไงไม่ทราบแตพอพอลูกสาวตั้งคันหรืองไงเ น, นี้แบบก่ก็ายแก่ก็จะไปอยู่ในครันของลูกก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าความ ความความผูกพันนี้มีกําลังมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีกําลังมากน้อยอยากใจมาอยู่ใกล้คนที่เรารักนี่ก็อาจจะหาช่องทางที่จะกลับมากลับมาอยู่ใกล้กับคนที่เรารักได้ใชมใช่ค่ะแล้วก็คำถามหน้าคุกคําถามหนึ่งคุณสายศิยาศาสตร์มนดา ม, มีจริงไหมคะมันอาจจะมีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้แล้วแต่ความเชื่อแต่ทางศาสนาคุณนี้ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สำคัญจริงๆก็เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอย่างอื่นนี้มันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อจิตใจของเราเท่ากับเรื่องบุญเรื่องบาปเพรฉะนั้นให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปดีกว่าไปเชื่อเรื่องสายาสัตร์ต่างๆ ถ, ถามค<ม>ำถามเฉยๆมาสการ์พาอาจารมีสองคำถามครับ คำถามแรกคื อ, เ, อ, อเวลาผมจับพระหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีพลังเหมือนมีอะไรวิ่งหรืออา จ, จะวิ่งขึ้นหัวหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันปรุงขึ้นมาหรือว่าใช่ ม, มันเป็นปความปรุงแต่งของจิตเราเองอ๋อเป็นอุปท า, านพี่เรามีปฏิกิริยาต่อสิ่งบางสิ่งบางอย่างครับบางคนเห็นภาพขึ้นมาก็กเีย์ขึ้นมาเรามีห็นครับ เห็นดาราที่ชอบก็ปกันขึ้นมาถ้าชอบคนไม่ชอบเห็นแล้วก็เฉยเฉยอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนแต่แบบาบางบางองค์หรือบางสิ่งก็จะพลังแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันบางทีแต่มันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากเท่าไหร่มันไม่สามารถนํามาใช้ดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ก็ให้รู้ๆๆว่าเฉยเฉยก็อันนี้เป็นเป็นลักษณะ ข, ของจิตเรา ที่มีปฏิปิยาต่อสิ่งบางสิ่งเหมือนร่างกายของคนบางคนก็แพ้แพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีความปฏิปิริยาต่อสิ่ ง, งต่างๆไม่เหมือนกันอ๋อครับผมอีกคําถามหนึ่งครับอย่างวันนี้ตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศแล้วก็นั่งสมาธาิช่วงต้นผมพยายาม ทำจิตให้มันโปร่งให้มันเบาให้มันโล่งอย่างเงี้ยครับก่อนจะนั่งแล้วพอเรานั่งไปสักพักมันรู้สึกว่ามันเห็นได้ละเอียดขึ้นมันเห็นแบบแม้ความตึงเครียดนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าแนวทางแบบนี้ใช้ได้ไหมครับถ้าจะใช้นั่งสมาธิครั้งต่อๆไปทําจิตให้โปร่งก่อนนครับการที่จะทําให้มันโล่งเนี่ยมันต้องใช้เสถียนถึงจะโล่งยูดีเราจะไปบังคับให้มันโล่งนี่มันไม่ทราบทาง ทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าทําได้ก็ใช้ได้เพราะการนั่งสมาธิก็เพื่อทําจิตให้เราโลง่งให้จิตเราว่างจากเรื่องราวต่างๆแต่โดยหลักแล้วเราจะมักจะใช้สติเป็นตัวนะทําให้จิตมันโลง่งแล้วเราก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าก้าวใจมันก็จะโล่งขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเรามีพลังจิตที่สามารถสั่งให้มันโล่งได้ก็ใช้ได้ครับมันเหมือนมันเหมือน กลับเข้ามารู้ตัวเอ้ยตอนนี้มันกดๆหมดๆแล้วก็ทําให้มันโปร่งหน่อยแล้วมันก็เลยเหมือนจําได้พอนั่งๆไปพอมันหมดเราก็จะรู้เอ้ยมันหมดแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับมามก็ได้ถ้าทําแล้วมันโลง่งแล้วมันสบายใจก็ทําได้ใช้ได้แนวทางนี้ใช้ได้แต่มันอาจจะไม่ทําให้เราสง บ, บลงลึกลงไปถ้าอยากใช่สง บ, บลึกลงไปนี่ต้องเเพ่งอยู่ดูลมหายใจ แล้วอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปมันะจะโล่งจะสงบมากขึ้นแต่เบื้องต้นถ้าคุณสามารถใช้กำลังจิตของคุณทำให้มันโล่งได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ได้ครับพอเจ้าคุณครับสาธุครับมีคำถามจากคุณใบยกเจ้าค่ะ แรกๆที่ลูกนั่งสมาธิไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เกิดเวทนาทางร่างกายแล้วเจ้าค่ะแต่ปัจจุบันลูกนั่งที่ชั่วโมงหน่อยๆก็ยังไม่มีอาการเวทนาทางร่างกายเจ้าค่ะแต่ลูกไม่ได้มีแต่ลูกมีได้สนใจอาการทางกายลูกดูลมอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะจิต ด, ดูเฉยๆเพราะสงบช่วงลมหายใจเจ้าค่ะแบบนี้ลูกควรนั่งให้นานกว่าเดิมใช่ไหมเจ้าคะเวลามันออกมาก็นั่งต่อใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมาแล้วเราสามารถทำจิตให้สงบไม่สนใจความเจ็บได้ก็ดีจะได้นั่งต่อไปได้ถ้าต่อไปเวลาเราเกิดอาการเจ็บ่า้ได้ปวดขึ้นมาจิตของเราก็จะไม่วุ่นวายจิตของเราก็จะสงบได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเรานั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดทัดตามร่างกายขึ้นมาก็ให้พยายามนั่งต่อไปให้จิตอย่าไปมีความรู้สึก วนวายไปกับความเจ็บของร่างกายให้จิตสงบนิ่งเฉยปล่อยวางความเจ็บให้ได้เพราะถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ต้องวิ่งหายาแก้ปวดมากินเพียงแต่ทาใจให้เราเฉยเฉยไปกับความเจ็บนั้นเท่านั้นก็พอเจา้าค่ะคําถามหน้ากุฏิทําไมลูกชายของข้าพเจ้ากลัวผีเสื้อแมลงต่างๆมากๆ มีอาการตกใจหวาดผวาเป็นวิบากกรรมในอดีตใหม่หรือเป็นเพราะอะไรหรอครับมันเป็นวิบากมันเป็นประสบการณ์ในอดีตมาก่อนอาจจะมีความรู้สึกกับสิ่งของนี้มาก่อนพอมันมาเกิดชาตินี้มาเจอสิ่งเดียวกันมันก็มีปฏิกิริยาแบบเดียวกันคำถามนะกุติเจ้าค่ะกราบนมันสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอน้อมกราบเรียนถามข้อสงสัยว่า ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีองค์ประกอบหลักสําคัญมีอะไรบ้างเจ้าค้ากราบสาธุนเจ้าขาดจากคุณมาริสแม่มาิกาก็มีทานเสียภาวนานให้เราทําบุญทําทานอย่าเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆเพราะการทำเอาเงินไปทําตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจต้องเอาเงินที่จะไปใช้กับการทําความอยากนี่ไปใช้กับการทําบุญแทน แล้วจะระ ง, งับความอยากได้ในระดับหนึ่งลดความทุกข์ได้จากการใช้เงินใช้ทองได้แล้วก็รักษาศีลเพื่อระ ง, งับความอยากที่จะไปเบียดเบียนผู้แล้วก็ภาวนานั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากให้นิ่งให้อยู่เฉยเฉยชั่วระยะหนึ่งในขณะที่อยู่สมาธิแล้วให้ใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาเพื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนั้นเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ แล้วมันก็จะทำให้กำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดไปจากใจความทุกข์ก็จะหมดไปเหลือแต่ความสุขเองเดียวเจ้าค่ะคาถามจากเด็กๆที่มารับฟังธรร ม, มานากูติเจ้าค่ะคำว่าอสุรกายแปลว่าอะไรเจ้าคะก็เป็นดวงวิญ ญ, ญาณชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติคือมีความหวาดกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวกลัวผีกลัว อะไรต่างๆความกลัวที่มีอยู่ในใจนี่จะทําให้เป็นดวงวิญญาณที่มีชื่อว่าอสูรกายคนที่ทําบาปด้วยความกลัวเนี่ยจะไปเป็นอสูรกายเช่นกลัวมดเจอมดก็ฆ่ามดเจองูก็ฆ่างูอะไรต่างนเๆการฆ่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทําให้ความกลัวหายไปกลับจะมีความกลัวเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะฝังอยู่ในใจเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะทุกข์ร้อนกับความกลัวต่างๆเหล่านี้น เราก็เรียกว่าเปน็นอสูร ก, กายคำถามจากทาง you-tube พระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณลินน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะเพื่อนของโยมฝากถามว่านรกสวรรค์เป็นเพียงสภาวะของจิตที่รู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเป็นสถานที่ทางกายภาพเหมือนมนุษย์เจ้าค้าขอความเมตตาพระอาจารย์คลายความสงสัยค่ะออสวรรค์กับนรกนี่ก็เป็นเหมือนแดนในนะลก แดนแห่งของความฝันเวลาที่เรานอนหลับนี่แล้วก็เหมือนตอนที่เราตายเพราะตอนที่เรานอนหลับเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นเราก็จะไปอยู่ในแดนเนรมิตถ้าเรามีบุญบุญก็จะในรมิตเรื่องราวต่างๆที่ที่มีแต่ความสุขให้ความสุขกับเราเช่นนอนหลับฝันดีเนี่ยเรียกว่าเราเป็นอนิสงค์ของบุญที่ที่เราทํามาถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายมีแต่เรื่องน่ากลัวน่า หน้าหวาดตัวหน้าเสียวไส้อะไรย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอนิสงค์ของบาปที่เราทำํำมันก็เป็นเหมือนกับเป็นของจริงอ่ะเพราะตอนที่เราฝันนี่เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราฝันไปแต่เวลาที่ฝันนี่มันเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเวลาที่เราตายเราก็จะไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยตามที่เราฝันงถ้าเราทําบุญบุญก็จะสร้างเรื่องที่ดีให้เราฝัน ถ้าเราทำบามือจะสร้างเรื่องที่น่ากลัวให้เราผ่านกันคําถามจากทางยูทูปพระจารย์จากคุณจิราราาัฐเจ้าค่ะกราบน้มัสการพระจารคนที่มีบา ร, รมีทางธรรมติดตัวมา ได้มีชีวิตคู่และเลิกร้างกันไปน่าจะเป็นการได้โชว์ใช้นิกรรมแล้วและเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตใช่ไหมคะควรทาความเข้าใจเรื่องการพลัดพาดจจักไปนี้อย่างไรเอการเลิกกันนี้มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเพราะฉะนั้นเลิกกันก็เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกัน บังคนเล่ากันเขาว่าเห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าต่างคนต่างอยู่จะมีความสุขมากกว่ามันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทําให้เราต้องเจอกับการขัดถ้าจากกันแต่ถ้ามันเกิดจากเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเช่นเราักกันอยู่ดีๆแล้วเขาต้องตายจากเราไปอย่างนี้มันก็ทําให้เราเศร้าเสียใจถ้าเรา ถ้าเรามีปัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมล้วก็อาจจะใช้ธรรมที่พระเจ้าส อ, สอนมาสอนใจเราว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจรงิงอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันได้แล้วเราก็จะจดจําไว้ว่าต่อไปเราจะไม่อยากจะมีอะไรกับใครเพราะมีแล้วต่อไปเราก็ต้องมีการพัดพากจากกาันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาในการที่เราจะมาสอนใจเราเวลาที่เราต้องต่อการสียเสียจากสิ่งที่เรารักไปคําถามต่อไปจากยูทูบค่ะจากคุณสุกัญญาน้อมกราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราเลือกที่จะอยู่คนเดียวและปฏิบัติธรรมอยู่บ้านคนเดียวเวลาเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อจะอยู่อย่างไรหรือควรทํำจัง ทำใจอย่างไรดีเจ้าคาะ่อถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมีธรรมเป็นผู้ดูแลรักษาเราไม่ต้องกลัวเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้อัตตาเฮอตันโนนาถป้าปฏิบัติท่านไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครมาคอยปฏิบัติรักษาท่านหลวงปู่มั่นนี่ท่านไปอยู่ทุ ด, ดงในปา่าท่านใช้ธรรมะเนี่ยดูแลเวลาเกิดอการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ใช้สมาธิใช้ปัญญา ทำให้ความใจไม่ทุกข์กับอาการเจ็บไข้ได้ปวด่วยแล้วร่างกายสักระยะหนึ่งมันก็ฟื้นขึ้นมาเองไม่ต้องไปทําอะไรบางทีร่างกายบางทีมันบกพร่องบางเรื่องบางอย่างพอมันมีเวลาได้ปรับตัวของมันขึ้นมาสักพักมันก็หายได้อถ้าไม่หายมันก็ตายซึ่งนักบวชทุกคนก็พร้อมที่จะตายอยู่แล้วจึงไม่เป็นปัญหาถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงแล้วเราพร้อมที่จะให้ร่างกายเจ็บพร้อมที่ให้ร่างกายตายได้ ถ้าเราดูแลมันไม่ได้ก็มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ใจจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานกับมันค่ะคำถามจาก YouTube ของทางด็ตอร์วีสิคะจะรู้ได้อย่างไรครับว่าลดราคาและโทระัลงได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็บางทีไปเที่ยวอาผอบนวนแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปในห้องอยากจะกลับบ้านนีเ <c> ป <oughs> ลี่ยนใจก็อาจจะลดไปครึ่งหนึ่ง ถ้าถ้าถ้าลดเอยก็ไม่ไม่อยากไปเลยแต่บางทีตอนต้นก็อยากไปพอไปถึงที่ออกโน้นแล้วเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าลถไปครึ่งหนึ่ง <laughs> คำถามจากช่องยูทูปพระอาจารย์ชค่ะกราบยินถามพระอาจารย์ผู้ที่มีศีล เกือบครบเพียงแต่ดื่มเบียร์มีจิตเมตตาชอบทำบุญจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครับทุกคนได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พิ้งแต่ช้าหรือเร็วเพราะว่าถ้าทำบาป ก, ก็ต้องไปใช้บาป ก, ก่อนถ้าทำบุญก็ไปรับผลบุญก่อนพอหมดผลบุญผลบาปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ายังมีความอยากที่อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยูก็ต้องมีตาหูจมูกมิ้นกาย ทุกคนจะกลับมาเกิดพงแต่ว่าจะเกิดดีหรือเกิดไม่ดีอยู่ที่ว่ามาจากข้างบนหรือมาจากข้างล่างถ้ามาจากข้างล่างก็จะเกิดมาไม่ดีอภัพวาสนาสร่างกายไม่แข็งแรงอาการไม่ครบสามสิบสองโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดียนอายุสั้นยากจนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลอันนี้สงจากการกระทําบาปที่ยังตกค้างอยู่ในใจส่วนผู้ที่ลงมาจากข้างบนมาจากสวรรค์ก็จะมาเกิดแบบมีวาสนามีบารามี เกิมาร่ำรวยรูปร่างหน้าตาสวยงามามีอาการครบสามส2สองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเยนอายุยืนยาวนอนเป็นต้นทุกคนต้องกลับมาเกิดที่แต่ว่าจะเกิดแบบไหนเท่านั้นเองใค่ะคำถามจากทางยูทูบเจ้าค่ะ กราบนมัส ก, การครับพระอาจารย์ตอนนี้ผมต้องดูแลพ่อที่ทิ้งผมไปตั้งแต่ผมอยู่ในท้องบางครั้งผมก็อึดอัดไม่พอใจแบบรู้สึกไม่แฟร์ครับต้องวางใจอย่างไรครับต้องมองว่าดีแล้วที่พ่อเขา อ, อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาถึงตอนนี้ได้ท่านบางทีอาจจะมีครั้งมจงเป็นจะต้องไปว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ก็อย่าไปถือโทษกอดกคืนแต่ท่านให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณอย่างสูงนะ อย่าไปอย่าไปาอย่าไปอยากต้องการให้มันมากเกินความเป็นจริงถ้าท่านอยู่กับเราได้ก็ดีท่านอยู่กับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปโกรธท่านต้องต้องเข้าใจต้องให้อภยัยแล้วต้องสานึกถึงบุญคุณที่ท่านให้กำเนิดกับเรามาก็พอแล้วใช่ค่ะมีคาถามจากช่างช่องยูทูบ กลันันมัชการพระอาจารย์คนเห็นแก่ตัวคนมักได้คนมักสุขมักสบายเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเหตุใดทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นคะเพราะเขาติด น, นิสัยแบบนี้มาเขาค่อยเป็นอย่างนี้มาก่อนในชาติก่อนเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยของเขาเองได้เค่ะ ยังไม่มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเข้ามาเจ้าค่ะก็อย่างนั้นก็พอสมควรกัลเวลานะก็ขอให้ท่านจกนำเอาเ็จที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ